เป็นมนุษย์กับแต่ร่างเมื่อปรากฏว่ามีธรรมภายในจิตใจเลยอันนี้เป็นที่น่าเสียดายภูมิหองมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตยอยู่ภายในจิตใจเลยนี่เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติให้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลื่ประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมจึงชื่อว่า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 ถ้าหากผู้จะเป็นสาวกอรหันอรหันส่วนมากเรียนจากพระโอษของพระพุทธเจ้าเรียนอย่างไรขณะอท่านบวชท่านสั่งสอนตอจะปัญจกคำมัธฐานเช่จนจะว่าเอหิปิกูประสัมพทาท่านจะเป็นพิกูจน์มาเถิดทำเหล่ากาดีแล้วนี่ก็สอนทำเป็นเครื่องนาเนินการสอนทำเป็นเครื่องนาเนินนั่ น, นแหลเป็นการให้โอวาตผู้ที่ สดับจับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระประธานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปในตัวด้วยการเรียนว่าสินั้นเป็นนั้นสินั้นเป็นนั่นเช่นท่านสอนวเจสาโลมานขาทันตาแตโจดังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบวัจเจสาคืออะไรโลมานขาทันตาแตโจแต่และอย่างในอย่างคืออะไรอะไรพระพุธจา้าผัสสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป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 คือนักเทศแต่ธรรมกถึกของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกถึก์ทั่วๆไปพระธรรมกถึก็เช่นอย่างพระพปุรนมนาตมันตานีบุตรท่านเป็นธรรมกถึกเอกส่วนากท่านยกเอาสัญเลขาคกถาเป็นเครื่องแสดงสัญเลขาคาถาคือ กล่าวถึงรองคำขัดเกาขีเล็ดทั้งนั้นนับแต่อปธิธาตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยิงมุติยามัทนะน่ธันมักแสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอตระฆะในทางธรรมกตถะเรีกยกว่าเป็นธรรมกรัตถกเอกพระปุณณันตนีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผมด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากผิดใจของท่านที่รู้แล้วจริง ไม่สอนแบบรูปรูปคำคำตามที่เรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจ ย, ยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระนี้ปุณณพรปุณมันตนีบุตรนั้นท่านเป็นพระรหันด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดทั่วถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกลา่าวสัจสนเลกขธรรม ทั้งสิทธิ์ประการนี้ได้โดยถูกต้องท่องแท้ไม่มีอะไรคาดเคลื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมกะกัตที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้องมีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกะกถที่มีพิเล่มผิดตันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทั้งพุทธการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางองค์ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจํานวนร้อยๆที่ไปรเรียนทํากับท่านเรียนเหมือนเดียวกับปริยาตจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตําหนิด้วยทรงเห็นลุปนิสัยของท่านเช่นพระโพธิราชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทําไว้ในมากมายกายกองเป็นพระผู้สูนแต่ไม่ใช่พระผู้สูนดังพระอานุน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 พระบทิละจึมีความสฉลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย้ำแล้วย้ำเล่าอยู่นั้นเนี่ยบทิละก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่ากลุ่มยังไงหัวล้นเปล่าก็ว่าไปเลยอย่างท่านอาจารย์มั่นทันเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวล้นเปล่ากินกล่าวนอนเปล่าทัานว่าไปเลยท่านแปลจากโบทิละอันเดียวอยงนั้นคือท่านสอนพระนี่ท่านยกเพงเรื่องของว่า โปรธิมาพูดให้เป็นประโยชน์สําหรับพระสําหรับพระผู้ที่ฟังยในขณะนั้นซึ่งมุ่งเถือประโยชน์อยู่แล้วดยเป็นอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียกพระโปธิราชกับมีโปธิราชเข้ามาโปรธิรเธอจงไปอะไรกับโปธิรัชโปรธิราแล้วบาลานเปล่าไาลานเปล่าเลี้ยนเปล่าๆแก้กิเยสตัวเดียวก็ไม่ได้เลี้ยนเปล่าๆกิเลดมากพอณขึดด้นโดยลําดับอะไรท่าน หาอุบายว่าให้พระโปธิรา์เวลาทุนเลากลับไปแล้วด้วยความสโดดสังเวศเป็นเหตุให้ฝังจิตสังใจพอไปถึงวัดเท่านั้นก็ขโมยหนีจากพระซึ่งมีจำนวนตั้งห้าร้อยองค์อยู่ด้วยกันมันดาที่เป็นลูกศิษย์ออกปฏิบัติกรรมาฐานโดยลำพังองค์เดียวเท่านั้นแล้วก็ไปสู่สำนักหนึ่ง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 แสดงว่าเราน <ลด S 1> ี้ไม่เป็นประโยชน์อะไรจากการนึกษาเราเยนมาหากจะเป็นประโยชน์อยู่บ้างพระองค์ทรงทรงต้องทรงทร ง, ง, ง, งเฉยในแง่ในแง่หนึ่งแน่ น, นอนทะ่านนำอันนี้ไปพิจารณาแล้วก็ออกประพฤติปฏิบัติขอก้าเข้าไปสู่สำนักธรรมหาเทระตามที่กล่าวนี้ก็ไปถวายตัวเป็นลูกศิษย์ท่านบรรดาพระหันท่านฉลาดแงคม อ, อย่างลึ ก, ลก เพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการถวายตัวต่อท่านท่านก็นหาอุบายทำตนพูดต่างๆนวนานะเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็ อ, อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็นเป็นผู้ศึกษาเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นคณาจารย์ มาเป็นมวลานามจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถนะแต่หวังอันตั้ง่านท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านองค์นั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสงสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปถวายตัวต่อองค์นั้นองค์นั้นก็หาวุายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นองค์ไหนพูดแบบเดียวกันไปหมดจนกระทั่งท่าถึงสามเณรองค์สุดท้ายก็ไปพูดแบบเดียวกัน คือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เนนก็มาพูดทํานองเดียวกันท่นี้พระมหาเถระท่านเห็นทําไมาการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเนนเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองนี้เข้าสู่เนนก็แล้วก็คาดไม่ได้เหมือนกันะคาดยากมาลองทดลองดูดูที่เนเนว่าจะจะวามีอุบายสังส่งสอนท่านได้ไหมตัวลงก็เลย ท่านก็มอบกายสบายตัวต่วเอเนนนั่น ท, ทันทีแล้วเนนนั้นก็สอนเราคอยฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเถระหาอุบายสอนวิธีต่างๆเช่นใ ห, ให้พระมหาเถระไปเอานั่นมาให้หมดไปเอานนี้มาให้บ้างและให้คลองกีวอเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ำแล้วให้พระมหาเถระคองผ้าไปถ้าจะเปรียบ พีวอนจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียเอาละไม่เอามันลึกว่ะหาเ <How about? S 2> อาใบนั่นความจริงเป็นการทดลองทางนั้นพระมาเทระองนั้นก็ที่เป็นธรรมกะถึกเอกนั่น่ะไม่มีขัดสมกับคำที่ว่ามอบกายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดเมื่งทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้ำหนามนั่นรคๆน่นก็ท่านก็ไปและให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงน้ํามจริงๆท่านก็ให้ถอยมาแล้วไม่เอามานันลําบากอ่ะน้ําเกาะผ้าบางอะไรหาบ่ายหลายแง่หลายมุมจนกระทั่งทราบชาัดว่าพระะพระองค์นี้ไม่มีที่ติมรณะเป็นผู้มุ่งหน้าต่ออธรรมจริงๆแล้วท่านจริงๆสอนเน้นนักสอนมวลาท่านจะสอนนักหาอุบายสอนว่านี่จอมปลวกแห่งหนึ่งมีรูอยู่เจ็ดหกรู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 กำกับรักษาอยู่กับความรู้อันนี้พระเถระตองนั้นก็เมื่อได้ฟังจากสั้มเนก็ได้สติได้อุบายขึ้นมาโดยลำดับลำดับเนนเห็นว่าสมควรที่จะพาไปเฝ้าพระพุเทธเจ้าก็เลยพาพระเถระนี้ไปเนนเป็นอาจารย์ธรรมาเถระนี้เป็นลูกศิษย์เข้าไปเฝ้าพระพุเทธเจ้า พระองค์ก็ทรงสั่งสอนและก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามไปยังไงเนนลูกศิษย์ของเธอเป็นยังไงบ้างนั่นฟังดีเนนก็ถูกกราบทูลว่าเป็นผู้ละทิฏฐิมานะทุกสิ่งทุกทอย่างเป็นที่น่าสงสารมากไม่มีคิฏิมานะอะไรที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้ได้เรียนมากและเป็นมหาขนาดมหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่เพิ่งแสดงซึ่งความเป็นใจเป็นที่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 แยกธาตุแยกขันธ์อายตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั้นอันนั่นเป็นนั่นอันนั้นเป็นนั่นให้พระมหาเถรานั่นเข้าใจโดยลําดับๆดบโดยทางยิปัตินาพออย่างนั้นก็นมาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารยืญยันแต่และอย่างละอย่างมันเป็นอาการของปิดส่วนมากปิดไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบว่าตัวของตัววิไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่า เวทนาเป็นตนมั่งสัญญาเป็นตนมั่งสังขารเป็นตนมั่งวิญญาณเป็นตนมั่งเลยหาตนไม่ได้อะไรอะไรก็ว่าแต่ตนเวลาจะจับเอาตนจริงๆตัวจริงๆหาความจริงไม่ได้นี่เพราะอาศัยสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งของมันด้วยอํานาจของแห่งกิเลสความรุ่งหล่งนี้ไปเข้าใจาว่าเป็นตนเนตัวจึงไปเสียเวลาเวลากับเสิ่วนี้นอกจากการเสียเวล า, ลาเพราะความหลงกับสิ่งลนี้แล้วยังได้รับความบอบชา้าทางด้านจิตใจอีกด้วย เพราะฉะนั้นจงใช้ปัญญาพิณิปิญาให้เห็นตามความจริงของมันนะเวลาพระพุทธเจ้าท่านทรงประธานอนุวาทให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรทึงเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคำว่ารูปนี่มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามคืออะไรแล้วรวมความอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความมันอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยการมบัมัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปรุคุณโสโคกเหมือนกับป่าชาภิดิษเต็มอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาหารถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งตรงนี้เป็นของสกปรกโสมงเป็นกองให้จังทุกขงังตาเป็นป่าชาภิดิษบ้างเลยนะพระเจ้ารงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจงพิจารณาสิ่งเหลนี้ให้เห็นตามความปิ่งของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุย่นเข้ามาก็คือเชคคลกาย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 ส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากกิตส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหาแต่เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายกับใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับช่าสิ่งนี้ด้วยความรุ่งหลวงตัวเองยังถือว่าเขาเป็นเราเป็นของเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรานานต่างตินักปราชญ์ท่านสอนเราเราว่าเป็นเราเป็นของเราเราภาคภูมิใจกับคำว่าเรากับคำว่าของเราเหมือนกับเรามีหน้าบัตรหนาใน สิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี่ความจริงเราเป็นคนรับใช้สิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราเนี่ยและรับความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งนี้ก็คือเราแบกหามด้วยสงนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลดูท้ายเราเป็นคนแย่นะเพราะความรุ่มหลงเพราะท่านจงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความเปลี่ยนของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมาอยู่ตามหลักธรรมชาติของตนต่างอณต่างอันต่างจิ น, มนมจไม่กระทบกระเทือนกัน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 หลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวนัสตาบเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในนั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นไใจรักได้ฟาดฟันหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราไม่เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเบชนาสัญญาสังขารว่าเป็นเราเป็นเรายังกําหนดให้พินให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กําหนดลงไปพิจารณา มันไปแยกแยกให้มันเห็นชัดตา่างความจริงสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขาาังตาซึ่งแช่ในจิตนี้กระจายออกหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเมื่อธรรมชาติอันนี้ได้กระจายหายไปไม่มีอะไรเหลือแล้วอ น, นิจจังทุกขังตา ท, งง Brandon ที่มีอยู่ภายใจิตก็หายไปพร้อมความกันคําว่าจิตอันนี้เราจะเรียกว่าจิตก็ได้ไม่เรียกก็ได้เพราะนอกจากสมมุติไปปอุปการทาัร้งกลวงแล้วแยกตัวออกจากสมมุติแล้วคําว่าอนิจจังทุกขังตาจริงไม่มีภายใจิต ทั้งๆ ท, ที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั่นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่จิบหายไปกับสิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วหเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองที่ท่านท่านพูดไว้ในตำราท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นปูดสิ้นจากทุกถ้าโปรชิรัตก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระาทจบลงในขณะนั้น ถ้เข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเฮีย้ยใหญ่นี้ให้ทําลายตัวเฮีย้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญาท่านมาปัญญาเวชัยเตภูริท่านมาทําปัญญาให้เป็นหมุนแแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายที่น่าให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะเนี่ก็ให้อย่างเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มด้วยวิชานั่นแหละเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให้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 มีมูดคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่สมนอกจากจะสั่สมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็คลางนอนอยู่ก็คลางไปไหนก็บ่นเป็นทุกข์ยุ่งเป็นเหมือทั้งๆงที่ตนสําคัญตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วายแต่ละวันละวันนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมาชาติความจริงนี้แล้วให้หายบ่น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 แสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งทั้งที่ตนรู้แล้วใครจะไปแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทำมํำไมนะเพราะความจริงเส ม, มอกันคําว่าสันติทิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงขูกขาดมีไว้สําหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วทั่วการตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งกุฎการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้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 สมาธิเป็นต้นมีสมาธิเป็นตุกที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสาคัญหรือเป็นธรรมซ้าหม่ำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้ที่เลือดอาสวทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่โน้นจนกระทั่งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางสิ้นสุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่นั่นโดยลําดับผลที่จะทุกได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใคร ขอให้ดำเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งทือควรจะไปรับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลิพานสิ้นเฉียดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยสนใจกับธรรมะเราจะไปรู้เรื่องว่ามรรคผลิพานว่าสิ้นเฉียดสิ้นสมัยได้ยังไงก็ อ, อุตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่เง่าต่ำตุนของตอนเองนอกจากนั้นก็ทําคนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าพูดต้องการจะโง่หรือแล้วโง่ได้จริงๆ เพ่อคำทำคำคำนี้เป็นคำผูดที่โง่ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธทางส น, งาานัณฐานะมิแล้วจะไม่สนใจก่อคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแลเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเราทั้งหลายได้นับพระโอวาคือศาสนธรรมจากพระพุทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นยางแล้ว